ทัวหล่านั้นก็รับคำแล้วก็ไปกระทําตามของเบงสั่คขวากองเบียงของสุมาอี้ที่มีนิมิเป็นผู้คุมเกียนเสบียงของสุมาอี ออก็กคุมปลายขนสบียงมามาถึงกลางฐานเป็นเวลาคำ่ำแก็มีทหารของคงเบงกองแรกละ่ะปีปลอมเป็นพวกทหารสุมาอี้นะก็เข้าไปบอกว่าสุมาอี้ใช้ให้พวกขบเจ้ามาคอยป้องกันกองสบียงเด็กเกรงว่าคงเบงจะส่งทหารมาชิงนีงนงนงนง่ไม่รู้อ่ะ <c oughs> คิดว่ากี คิดว่าจริงก็รักพวกเรานี่ไว้ในกองสเสบียงเดีกันนี่แหละครั้นเวลาประมาณยามเศษ็ อ, องเตงทางหารในวงเรานี้นัดหมายได้ทีกันแล้วก็พร้อมใจกันลุกขึ้นชัิอาวุธขึ้นไร้ข้าวาันราวทหารของมินี้ฐานกองสเสบียงยูมานี้เนี่ยล้มปาจะมีมากทีเดียวมินี่กรตกใจ เพลงคุณหลังมารบกับองเป็งได้สามเพลงองเป็งเอาทวนแทงถูกมีนนี้โตกมาตายเหลืทหารของ ม, มีที่เหลือตายก็ตาทพ่ายไปสิ้นแปลว่าองเป็งกองที่หนึ่งเนี่ยชิงเงียนสบียนของสุมาอี้ได้ละมีหมายถึงชิงเจ้าโธยนเหล่านี้ถึงเป็นพานาะรักสะบียนนี้ได้อย่างดีด้วยอองเป็งก็สั่งให้ทหารขับเงียนสบียนมา ควายไพ่ในกองลำเบียงซึ่งแตก่ายมาถึงค่ายปาก ง, ง่วนก็เลือกความไปบอกแอกโกชุย๋ยให้สราบทุกประการโกชุยนี่ทหารใหญ่คนสําคัญของสุมาอีกโกชุยในฐานใหญ่ได้วันก็ปวดใจกบุนทหารไปเพือเ่อจะไล่โจมตีทหารคนงเบ่งละองเป่งหินดังนั้นค่อยฐานพลิ้งโคโยนนี่หลงเสแล้วก็พากันทําเป็นถอยหนีไป โกชุยเห็นกองนี่หนีไปแล้วนี่ก็ไม่ได้ติดตามนะแขห์ทห า, า, ารก็พลัดมันจ้โคยนตให้มันเครื่อนที่มันก็ไม่เคลื่อน hmm. ถูกคลิกลิ้ลลนก็แล้วนิดเมื่อเจ้โคยนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็ไม่สามารถหลากจูงสเสเบียนไปได้โกชุยก็คิดให ท, ทหารที่มาเนี่ยข น, นเสบียงหนีแต่ก็ไม่ทันโกชุยก็สงสยัย เป๊ะทำไมเข็มไม่ไปอ่ะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแกไขยังไงก็ไม่ได้ไไไไได้วยบต้นไม่รู้จุดสําคัญเขาก็พอดีริ้งหัวร้องอีกอีกขึ้นแเร่าฝนองเป่งเกียงอุยอุยเอียนเนี่ยคุนหมานตีกระนาบก็มาเป็นสามบ้านเลยโอฉุยต้านทานนี้ได้ก็พาฐานถอยไปองเป่งแขกทหารเข้าไปกลับริ้งโควยนที่เหมือนเดิม แล้วก็เข็นควนสบียไปได้เหมือนเดิมอ่ะโกรธุยนี่เห็นอย่างนั้นก็โกรธเป็นอันมากก็คุมทานเรือกลับมาจะไปจิ้งควนสบียของตนคือเมื่อด่ะก็ดนเขียนโหร้องบนเนินเขาหุดมีกองที่สามเหลนควันไฟพุ่งขึ้นมาทารน้ำพวงก็ร้องโกรวาคุกคามลงมาทีเดียวโกรธฉุยเห็นทานหารรานั้นน่ะนี ผิดประาดนะขยายผมหน้าตาเป็นผีขโมดปาทั้นี้ก็ตกแต่งเอาไหนมันเหมือนผีก็แล้วกันาหารกาตปวงของของโกชุยเนี่ยก็ตกใจกลัวตัวสั่งเนี่ยจะสู้ยังไงกับกองทัพผีอะและมันปรากลางคืนด้วยแต่โดยเฉพาะดินกระสิทธิวณฐานที่โกเบห้ตานเหานี้ของตนกระทำมมามาเนี่ย มันก็เกิดแสนบุดว่าพร า, พรายกระดุกอสุรกายไร้ทหารทั้งปวงตกใจกลัวตัวสั่นทำอะไรไม่ได้โกชุ่ยก็จําต้องพาฐานถอยกลับมาและก็ต้องคิดตามระษาเราว่าเนี่ยคงจะเป็นวทเทพยายดาหรือผู้ผีปีศามาแกล้งเราเพื่อช่วยเหลือคงเด่งเป็นมั่นคง ซุมาอีรั่วเสบียงและกองทัพโกชุยต้องเป็นอันตรายก็คุมฐานมาช่วยกรั้นมาถึงศอกเขาากลางทางก็ดยินเสียงประทัดเสียงโอโรงองอีกิน อ, อยู่ด้านข้างขวาแล้วก็เตียวเอ็กซ์สิอ่าข้างขวาข้างซ้ายก็เลี้ยวหัวคุหฐานตีกระนาเข้ามาซ้ายขวา ุมาอี้กับหารแไม่ทันรู้ตัวแปดตืต่นหนีไปขณะนั้นเมื่อสุมาอี้หนีนั่นนะเปยวเอ็กกาอ่ก็ไม่ได้ติดตามสุมาอมามาี้ไปสหสุมาอี้ควกมาหนีไปแต่ผู้เดียวเียหัสวสพวมาตามไปถึงในป่าใกล้จะทำสุมาอี้แล้วเยหัวก็เอางาปั้นแต่ไม่ถูกสุมาอี้ ควันไปถูกต้นไม้เข้าไห้แล้วเงาวก็ตึงติดกับต้นไม้อยู่นั่นแหละถ้าถูกสุมาอีก็ตัวขาดเป็นสองท่อนแน่นี่ไม่ถูกสุมาอก็ขับมาหนีตะเบิดพุ่งไปทางที่ใต้เดียกว่าว่าจะดึงเงาให้หุจาต้นไม้ได้น่ะก็เป็นเวลานานอยู่เมื่อดึงเงาลุกขึ้นมาได้แล้วก็ขับมา้าไล่ตามไปก็ไม่ทัน ก็เด็กจหมวกทองของสุมาอี้ถึงตกอยู่ก็ยังกลับมาครั้งกลับมาออกมาถึงปากทางก็พบเกียงอวีอวีเอียงเดียวหนีอองเปงอากองทัพตั้งพวมาพร้อมกันแล้วข่อยทหารเข็มจ้าโคยน์ราชเบียงกลับไปยังค่ายแล้วก็รายงานเรื่องความตั้งัวตามที่เด็กระทําการสู้รบกันมา ให้คุ้มเด็กเด็กฟังทุกประกาศแต่เรียวหัวนั้นบอกเงื่อนความตั้งสิ้นแล้วก็รายงานทั้งจนติดตามสุมาอี่ไปเกืดจะได้ชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่ได้ก็ได้แต่หมวกทองของสุมาอี้มานี่แหละต่อหมวกทองของสุมาอี้ให้แก่คุ้มเด็กมีเรียวหัวเรียวหัวขาดเก่าของควนอูนะทีนี้อวเอียงอวเอียน จอมริษยาเห็นเรียว่ากระทาการดังนั้นก็มีใจริษยาต้องแลดูเรียว่าไม่วางตาทีเดียวผมเบ้งเองก็เห็นกริยาของอุยเอียงริษยาเรียว่าที่ทำด้วความดีเกินมากในครั้ง น, นี้แต่ผมเบ้งก็ทําทเป็นเมืนินเชทําเป็นไม่เห็น เก่าของต้น อ, อัวเรืยอ้วนอีกเป็นทหารเก่าของต้น อ, อท้งมาอีกเกิดตายด้วยซ้ำเรือวอกลับมาถึงค่ายเนี่ยก็มีความทุกวิตตกอยู่ด้วยเสียทหารเสียสะเบียงแต่มันไม่สำคัญเท่าเสียความคิดหนึ่งคือคิอเรือเสียรู้เนี่ยในทมองนี่มันเสียมากเหลือเกินโคโยนต์ ผิดตนหลอกเรียนแบบมาได้กระทำมาได้จำนวนมาก ม, มายมหาศาลถูกคมเบ่งชิงไปหมดเนี่ยทุมาอี้เสียใจายมากก็พอดีมีหนังสือพระเจ้าโจยยอยมาเป็นใจความว่าสุ่มกวนยกกองทัพเป็นสามทางจะมาทำอันตรายแดนเมืองเราให้สุมาอี่ตั้งค่ายมั่นไว้อย่าออกรถพุ่งกับผมเด่ก เราจะจัดแกงกองทัพยกไปต้านทานขุนกวนไว้ให้ได้นี่หนัสือพระเจ้าโจโยอยมีมาดั่งนี้นี่ก็ตามแผนการของคงเบ้งเองตัวรบอยู่ขั้นนี้นี่ทาอะไรซูมาอี่ไม่ได้เหมือนกันต้องวอย่างนี้ก็จะมีหนัสือไปถึงกลางตังขุนกวนในกลางตังให้ยกทัพเข้ามาตีหูตโตะลกเอียงเนี่ยพระสมเด็จพี่ก้อลจะจำแบ่งไห้ครึ่งห น, นึ่งไงเอ ทางการต่างยกมาแล้วอยู่นี้ตามข่าวเนี่ยขุนเจ้าโจยอยแจ้งมาดังนี้สุมาดีได้แจ้งในหนังสือเชี้ก็ ย, ยิ่งมีความทูกเป็นอันมากให้โัวปลากำชับกำชาทาหรารรักษา่ายไว้มั่้งคงนี่ได้ออกรบพุ่กนนับผมเองนะคือเท่ากับประทะงานนี้เข้าไว้ให้อยู่ถ้าออกรบออกเก๋งจะเพ่งพรำพ่ายแพ้ที่นี้ขังไฟ ยกเอียงหลวงพระเจ้าโจยอยเนี่ยก็ให้เหล่าเซียวคุณผานไปช่วยเมืองกังแฮเหติเตียวอี้คุณผานไปช่วยเมืองทรงยงนี่เป็นเมืองเก่าๆที่เคยเป็นของเราปีเมื่อก่อนเพื่อเจ้าโจยอยกับหมันทองยกกองทัพไปตั้งอยู่ณเมืองผับปาหมันทองนั้นคุณผานไปเที่ย ว, วปวดปลาเปรินชายทะเล เห็นกองทัพเรือเมืองกลางสางมาตั้งอยู่นับปาดอ่ า, อาวฝ่าตะวันออกเปน็นนันมากก็กกลับเข้ามากราผู้รายงานแต่ก็จะโจยยว่ากองทัพซุ่มกวนจะประมาทอยู่ว่ารอผู้ยกมาถึงเวลาข้าเหมือ น, นขอให้แต่งกองทัพเรือไปตีต้นเผาเรือซุ่มกวนเห็นจะได้โดยง่ายม หมันทองเขามากราภูดินิพระเจ้าจอยก็เห็นชอบด้วยก็จะให้เตี้ยวกิ่มคุ้มฐานห้าพันถือครบเพลินครบมือรวมเรือเร็วไปหลายลำทีเดียวให้มันทองคุ้มฐานยกไปก้นค่ายบนป่าน้ำเมืองกันแงหมันทองกับเตี้ยวกิ่มคุ้มฐานแยกกันไปมีเรือกสุดอีกหน้าอีกทางนึงเกิดขึ้นแล้วเปิดการกระทะกันละ ครั้นเวลาสองยามเสรกองทัพทั้งสองนี้ก็เข้าไปต้นค่ายบกค่ายเรือเอาคบเพลินตุดเผาขึ้นทหารมีการต่างเมื่อทันรู้ตัวเสียเรยรบเสียเครื่องฝากลราอาวุธเสียเสบียงอาหารเสียชีวิตทหารเป็นอันมากและจู่กัดกินจู่กัดกินพี่ชายจู่กัดเหลียงจู่กัดกินเพืนรักษาค่าย หน้าปากน้ำเมืองกลางแฮนมันนะ่ะก็แตกหนีไปมันทองเตียวกิว๋วสองแม่พับของพระเจ้าโจยยอยเนี่ยคลั่งเผาค่ายบกค่ายเรือของพระเจ้าซุนกวนเหงิกังตังแล้วก็พาฐานกลับมากราบปูนให้พระเจ้าโจยยอยได้ทรงทราบถึงชัยชนะนี่ก็เรียกวมันทองนี่ก็เก่งทีเดียวละทีฝ่ายลกสุม่ม มีคุณพรมุ่นแม่ครับคนสำคัญของกางตังผู้กระทาให้เรล่าย้นเตะปีเพื่อเจ้าเราปีต้องรอมใจทําเพื่ไทยถึงแก่ความตายไว้นะลบกซุ่นคนนี้ลบกซุ่นซึ่งตั้งยู่น่ะค่ายแหกเขาเนี่ยรู้เหตุดัง น, นั้นค่ายบกค่ายเรือแต่ยับเยือมาเช่นนี้ย ก็ปรึกษากับนายฐานน้ำพวงว่าเราใช้มีหนังสือไปทูลขอกองทัพพระเจ้าสฟื้นคืนณเมืองสินเสียให้ยกมาตีทายโจยยอยรวมเราจะขุนหารเข้าตีกระหนาหน้ากองทัพโจยยอยหนึ่งตีหน้าตีหลังก็ชนี้กองทัพพระเจ้าโจยยอยก็คงจะแตกไปยกฟื้นกล่าวปรึกษากับืที่ปรึกษาเราคุณนายนายฐานน้ำพวงอยงนี้ ทุกคนเดินชอบด้วยอลบสื่อค่อยแต่หนังสือตามเรื่องราวที่ปรึกษากันเนี่ยแล้วค่อยถานรอบรัดทางไปเพื่อจะได้นำ้ำใบบอกมันสำคัญนี้ไป ก, ากราบถุนพระเจ้าสซุนอเวนนะ่ะทีนี้วายกองกเตว่นของเจย่อยดิจากผู้ที่นิสียนี้ได้ก็เอาตัวเข้าไปส่งแ ม, ม่ไช่หลวนเอาตัวไปส่งกับพระเจ้าโจยอยอ่ะ พระเจ้าโจยยอยก็สอบถามคนตัวได้หนังสือฉบับนี้อยู่หนังสือสำคัญนี่รู้เนี่ยความตลอดแล้วว่าลกซุ่นจะเล่นวิธีนี้พระเจ้าลกซุ่นนี่ลกซุ่นคนนี้มีความคิดหลักแหลมนะแตัวเจโจยยอยก็สั่งให้เอาตัวผู้ถือหนังสือเนี่ยไปจองจำไวดและให้มาใช้ไปสั่งแก่เล่าเซียวว่าให้เหล่าเสียว อุณหไปตั้งสกัดทางวัดอย่าให้กองทัพขึ่งกวนโยกมาทํามันตรายขัดท้ายของกองทัพเราได้เรียกว่าอรู้ก่อนก็มีการป้องกันได้เพื่อเจ้าโจยย่อยรู้ตัวซะก่อนและแผนของลูกชึ่นจะเป็นยังไงปลาจู่กัดกินนั้นเสียข่โบกแล้วถอยแล้วหมีไปแล้วเนี่ยเห็ทหารโจยยอยกลับไปแล้ว ก็รีพาทานกลับมายังค่ายขาะนั้นเป็นเทศการหน้าร้อนเป็นฤดูร้อนทหารทั้งปนต่องอาวุธบาดเจ็บอดข้าวปลาอาหารล่มปายไปเหมันมกจูกระกินงก็แต่งหนังสือให้ฐานถือให้แกลกซุ่มว่าสิจะตั้งรบอยู่มันเห็นขัดสนนะท่านกับเราจงพากันกลับเมืองกลางสันงดีกว่า ีจูกระกินเชื้อสายจูกระเดียงวกหลงคนเล่นเราอยู่คนละข้างกันจะจะถอยได้ย่างนั้นแหละลกซุ่นเด็กแกงดังนั้นก็สั่งผู้ถือหนังสือของจูกระกินเนี่ยกลับไปว่าเราคำมักไปถึงจูกระกินอย่าให้วิตกเลยให้ตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายนั้นเถิดรักษาค่ายให้จงดีการท่านปวง เราคิดไว้พร้อมแล้วมีลบกซุนคิดการไว้แล้วคือคิดจะให้ทหารหนึน่งกลางตังในบังคับของมิตรสุนทรตีด้านหลังเจอยอยและตนจะตีด้านหน้าเนี่ยลบกุ่นว่าเนี่การตนคิดไว้พร้อมแล้วเนี่ยผู้ถือหนังสือของจู ก, กัดกินก็กลับมาบอกจู ก, กัดกินจู ก, กัดกินก็ถามว่าเจ้าเห็นลูกซุ่นเนี่ยทประการใดบ้างอ่ะที่ว่าการจะบอกคิดไว้พร้อมแล้วนะ ผู้ถือหนงสก็ตอบว่าเขาไปเจ้าเห็นลกสุ่มให้ปลูกทวปลูกมันปลูกพระวิริมค่ายเป็นนันมากแล้วเกิดลกสุ่มพาฐานออกมาซ้อมหักเพลินอาวุธและมาอยู่มาขายนี่คือสิ่งที่ผู้เดินฝคนคม้เห็นอย่างนี้จูกัะกินได้ฟังนี้ก็ตกใจก็จริงว่า ลูกซุ้นจะคิดอ่านซู้รโรค่าดสุสดกระตุ้นไรใดอ่ะมาปลูกพักอยู่ดังนี้เราจูก๋จิงก็พาถามไปค่ายลบกซุ้นทีแล้วก็ถามเลย <m> ว่าท่านจะคิดสู้โรบประการใดอ่ะลูกซุนก็บอกว่าข้าพเจ้าให้แต่งหนังสือไปขอกองทัพพระเจ้าสุ้นกวนให้ยกมาช่วยเป็นทัพกระหนก พหะเจ้าโจยยอยก็จับผู้ถือหนังสือนั้นไปได้อโลกซุ่นรู้เหมือนกันการที่คิดไว้นั้นเสียไปเสแล้วแบบนี้ข้าพเจ้าเด็กซ้ำบอกไปถึงพระเจ้าขุนกวนอีกว่าจะขอยกกลับไปเมืองตังตังมีโลกซุ่นคี้แจงอย่างนี้แผนการจริงๆไม่ใช่เหนที่เจ้าทาหารคนนั้นเห็นหรอกปลูกถั่วปลูกผักหินบีช่าความจริงเป็นอย่างนี้ อยู่ไกลกินมังก็ถึงว่าาท่านคิดดังนั้นก็เร่งยกยกลับเถอะคือจะกลับก็เลยยกยกลรับเถอะโลกุณจะตอบว่าครั้นเราจะยกไปนับหมัดเนี้ทหารโจยอยรู้ก็จะยกตามมาโจมปีทเป็นกองหน้านะยังไปจัดแจงลีรุรกให้เป็นทีว่าจะยกเข้าทําการด้วยขาดศึ แม้เราเลิกทับกลับแล้วก็จงเป็นกองระวังหวังจูกะดินกุหลาลลุกสุดกลับมายังค่ายจัดแกงกระเลมเรียรบไว้พร้อมทำทีว่าจะเข้าทําการได้ขาดศึกหลักฝ่ายมาใช่เห็นดังนั้นก็มีความไปทูลกับพระเจ้าโจยยอยพระเจ้าโจยยอยได้แกงกระเลมก็จิ้งหมด ขัความคิดลกซุ่งแม่ทัพมือกันตังผู้ยี้นี่ลึกซึ้งนะครั้นเราจะยกไปต่อสู้น้ำบัดนี้ก็เกรงกนสุดลกซุ่งอยู่นี่พระเจ้าเตยย้อยก็เกรงก็สั่งถามให้ดูรักษาไข้ไว้เป็นมั่นคงครั้นอยู่มาประมาณหวันมาไท้ก็ขามาัดกลับภรายงานให้พระเจ้าเตยยอยทราบว่าถ้างั้นฝึกควรต้องต บ, บบทัพเรือ เลือทัพกลับไปดูการสั่งหมดแล้วพระเ จ, จ้าโจยยนี่แก่เดี๋นี้ก็ยังไม่เชื่อคอยถามไปสืดมือีกทีนึงก็รู้ว่าเป็นความจริงตามรายงานของมาใช้คือกองทัพ ก, การสังถอยกลับไปหมดแล้วข้จึงสั่งนายทัพในกองทัพพวงให้รักษาด่านทางว่าเป็นมั่นคงและพระเ จ, จ้าโจยยนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ณนิอหับป่าหวังที่จะคอยดูท่วงที ะระมัดระวังกองทัพเมกองต่างของพระเจ้าสุ่มกวนอยู่ เขามปนหน่อยมึงถูกโจมถูกตีเขาพอสมควรก็อถอยอ่อถ้าเจ็บกล้าไปแล้วก็มึงก็ไม่ใช่โองการไป ห, หนักหมาของกังต่งนะครับมันเป็นครงการอันแท้จริงของหกหลงขงเบ่งหมาวุปราชเห็มีเสฉวนตั้งหะงานที่เกิดทําเนี่ยความหนักเบาความสําคัญต่างๆกันผมที่กิดทําันก็ต่างกันอย่างนี้ ลบสิ้นเพราะจะเป็นแม่ทัพเก่งการประการใดอย่างไรก็ตามก็ามาจัด ก, การเรื่องคัญของตน เ, นเพียงแต่หกล้มขวัเบ่งนิ้วซื้อมาให้กระทำอย่างนี้อย่างนี้ก็กระทาได้ตามเพลงนี่ไม่เป็นผลแล้วก็เลิกลากลับไปละทีฝ่ายขวัญเบ่งซึ่งตั้งอยู่ใเขาตีสารนั้นก็มีได้เห็นตูมาอีออกมารบพุ่งเป็นช้านานสุมาอีที่ไม่ออกมารบมาพุ่งก็ดัง หังสือรับสารเจยยอยฮะสงบนิ่งรักษา่ายมันยุกพระเจ้าเจยยอยจะเกระทันตื่นดานนึ่งด่านเดียวเองอ่ะจะได้ไม่ต้องเคลงเคลื่อนทําเสียทีเนี่ยเมื่อคงเด้งก็เห็นพุมาอีกสงบนิ่งอยู่ก็คิดว่าการสึดนี้จะต้องยืดยาวเพื่อที่ให้ทหารเหนืทั้งปวงเนี่ยไปเอาใจผูกพันบรรดาชาวบ้านข า, ายแดนเมืองลเหียงทั้งปวงเนี่ย มไปกรทําสมทวรทำไมกรีกับชาวบ้านไปช่วยทํามาปลูกผักปลูกฟักปลูกถั่วต่า ง, ง, งๆนานาประการไปช่วยชาวบ้านมีวิธีการพบห่วงหลีฟังเอามีส่งชา ส, ส, ส่งทหารไปช่วยชาวบ้านทํางานเพื่ อ, อย่างนั้นแหละที่ปลูกผักปลูกฟักปลูกแฝงก็หว่ากันไปทีนี้พอได้ผลแล้วทหารเรานั้นก็ให้เจ้าของเนี่ยสองส่วนทหารเป็นผู้ไปทํ า, ท เ, า, ทาเอาเนี่ย ขอมาส่วน น, นี่เอาก็เอาไม่หมดให้มากด้วยให้สองส่วนนี่และทั้งของคงเบ่งทั้งพวเนี่ยก็ถูกกำชับกันชาเป็นอย่างนี้กระทํางไมเตรตชาวบ้านเป็นนั้นดีนี่เด้คนเห็นชาวบ้านราว น, นี้เลยนี่คนเบ่งกระทําสงครามจิตวิทยาชั้นสูงเลยทีเดียวราษฎรทั้งปวงก็มีใจรักคงเบ่งเป็นอันมากมีวิธีการของคงเบ่ง เห็นเมื่อสุดจะยืดเดีอกก็ทำอย่างนี้เป็นการสะสมสบียงหันเพิ่มเติมด้วยเป็นการผูกพันน้ำใจอาณาปะาะก์รัฐบิดองทัพปวงไว้ด้วย่าวซูมาสูบุกซู ม, มาอี ร, รู้ดังนั้นก็เข้ามาบอกกับดีดาวะบัดนี้ทหารคงเบ่งเนี่ยไปเที่ยวภูกรักทำไมกรีกับชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงช่วยทมาหากินได้ข้าวสบีย์ไว้เป็นอันมาก อันหนึ่งรัสดรทั้งอวงเหล่านั้นก็มีใจรักของเม่ยงเป็นนั้นมาซึ่งบีนาจะมานิ่งอยู่ไม่รบพุ่งชนิข้าสึกก็จะมีใจกำเริบรขึ้น ไม่เลยหลวงหกหลวงจะใช้เพรงอีกแล้วเอาดินประสิทธิพันธ์ฐานโ ป, โปราไบวัาเป็นเชื้อจำนวนร า, าอมไซต์จำนวนกระแพ้เขวี้ยพร้อมแล้วก็เอาดินเอาญ่ามาเกลียตซ์พี่ในเ้าโล ก, โกนั้นค่อยทากระท่อมพับน้อยๆเขว้ยงสร้างิดดินเขวี้ยงหรือว่าทากระถ่อมินเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆเขวี้ยงเนี่ยให้เอาดินประสิทธิพันธ์ มัดสายไว้ในตึกมินในกระท่อมทับเรานั้นหลาะล่ามสายจนวนกวพร้อมละ่ะนี่หกหลวงจะทำการใบเนี่ยเอาโลกก็มันเป็นหุบเขาเอาละเตรียมเตรียมทำระเบิดเป็นอย่างที่ยิ่งเ้าไว้เนี่ยเตรียมวัดครั้นเวลาค่ำให้ติดโคมเจ็ดดวงแขวนไวเป็นสำคัญคนดึง สั่งมาใต่ายไปกระทำเช่นนี้มาตใต้ก็รับคําสั่งแล้วก็ไปเกิดทําการตามที่องค์ไม่สั่งนั่นแหละท่้นที่ก็ยังไม่รู้ว่าอุมายการของท่านจะเป็นประหารใดอย่างไรก็ตามเถอะก็กระทําตามคําสั่งละและขุนพ่ก็สั่งต่อไปอีกสั่งให้ขุนเดียร์ขุนบานห้าพันไปร้องท้าทายสุมาอีหัวแม่สุมาอีออกมารบประกอบ ท่านจงต่อสู้ป้องกันมืลเนียวไว้จนกว่าจะพบคำแล้วก็ล่อให้ไล่เข้ามาต้งโคมไฟนั่นเป็นสำคัญเราจะจับตัวอุยเลียนให้ได้พอเเ่งวางแผนจะจับสูมาอียให้ได้นะครับแผนการของเบ่ิเอร เพื่อว่าใช้หุบเขาเฮลโลกดารบาษไปด้วยมินกสีชวันถันเพื่อเธอจะเปลี่ยนให้เขาตายกันน่ายขึ้ระเบิดวัดทันอย่างนี้เธอไหมครับเตรียมไว้แล้วแต่มันไม่ใช่ระเบิดที่ใช้โขกแล้วมันปุ้มปุ่มตองรามสายจำนวนฝักแพ้แบบโบรานเนะอสั่งเอื้มให้ไปรบอรอสั่งปอกไปนะสั่งโกเสียงมีดูแผนการที่คงเด่นจะ ต้เรียกว่าปัดขื้น อ, ออกจากบัญชีคนเนี่ยคือเอาชูมาอี้ให้ตายอ่ะสั่งโกเสียงให้จัดคุณมทหารโคโยมไปก อ, องละ4ี5 0ิบห้าสิมาเห็นชูมาอี้ออกมาตีให้ทิ้งโคโยมใช่หนี่ลอแล้วก็ส่งทหารไม่ยกเป็นกองกองไปซึ่มอยู่ ว่เห็นทารข้าศึกยกมาตีเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยทำถอยรบก็ถอยแล้วหนีตอเมื่อชูมาอี้ออกมาเอให้ชวนกันเข้ารบพู่งให้เป็นสามาระนายทานนั้นก็คุมกันไปเกระทําตามคําของเบ่งสั่งละและคนเบ่งก็คุมฐานกองดุกไปตั้งอยู่บนเนินเขาอันเป็นทางต้นลมนี่ของดุกวางแผนนี่ จะฆ่าซูมาอี้ให้ได้ทีนี้วายแฮร์โวโฮแฮรโววีสองบุตรชายแฮร์วิสตึ้มมนศิลป์ตาเดียวเห็นดังนั้นก็เขาไปบอกสุมาอี้ละว่าองเด้งเนี่ยไปตั้งฆ่ายอยู่บนเือนเขาปากทางเฮาโลก็แล้วก็ตั้งทับกิดท่อนน้อยติดดินน้อยๆเรียงรายไว้เป็นอันมะ เขาพเจ้าเห็นว่าการสึกคร้งนี้จะยืดยาวขอให้ท่านคิดอ่านตักเต้ทันทีมานไปพ้าปล่อยไว้มานไปจะกําจัดได้ขัดสมนนะัะแฮรโวโฮแฮร์วีเข้ามาบอกกับสุมาอีอย่างนี้ทีเห็นเขาทำกระท่อมต่างๆนานานเข้าไว้เพียงเขาโรคโอกันน่ะก็คิดบอกคงจะเป็นการายการนึงแต่ไม่รู้รายละเอียดสุมาีก็ต อ, อบะ ขึ้นข่าศึกทําการทั้งปวงนั้นเห็นจะเป็นปกมุบายของของเบ้งทำไมอี้บอกอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจเจอว่าตูมาอี้เนี่ยก็เค็ดขยาพระสติปัญญาหกหลงเหมือนกันจนถึงพูดมาโลวะครั้งจะยกออกรบกพุ่งก็เกรงจะเสียทีเฮวโหฮ้โฮก็จริงว่า ถึงคงเด้จะคิดคนศุดประการใดอย่างไรเข้าไปเจาะสองที่น้องมีจ่จะขออาสาออกไปไปเอาชายชนะสนองพระคุณเจ้าเราให้ได้สุมาอี้ก็ยิ่งว่าท่านทั้งสองจะอาสาการนั้นนะ่ะเราก็มีความยินดีด้วยแต่ท่านจงคุมฐานคนละพันออกไปตีเป็นสองกองแฮว์วัววัวแฮว์วัวฮุก็คุหมอนอกจะค่ายไป พนดีมาชายมาบอกที่ว่ามัดนี้ข้าซกเข็นเกวียนคาเบียงมาเป็นอันมากนี่ผมได้วางแผนล่อแล้วแต่จะได้ปลาตัวใหญ่หรือไม่ยังไม่รู้ละ่ะจะปลาตัวน้อยสองตัวนี่คือแฮรโวโแฮรโวฮแจ้งดังนั้นก็บนจบกกันมาเขาเป็นกองเดยวสองกองเป็นก อ, อง เ, นนเดียวละ่ะจะไปตีชินคาบียงไปโจมตีชินด้โคยนและซาบียงมาให้สูมาอีเป็นอันมาก ก็ตามคาสั่งคงไม่เโกเสียงเน่ยคุมโคยนไปเป็นกองกองละสี่สห้าสิเผื่อมาอีออกตีให้ทิงโคลยนเียเนี่อเอาละแวโหแหวฮุตีโกเสียงก็ทิ้งเสียทำเปสูอพอสมควรแล้วก็หนีทิ้งโคทิ้งสบียงจะปลาตัวน้อยสองตัวนี่ตีแหโหแหฮุยแจ้งมังมันก็บังจบกำลังก็เป็นกองเดียวสกองเป็นกองเดียวละจะไปตีชิงสบียง ไปโมตชิงดยโคยนและสะบมาให้ชมาอีเป็นอันมากก็ตามคาสั่งผ ม, มเล่นให้โกเสียงเนี่ยคุมโคยนไปเป็นกองกองละสี่สิบห้าสิเนชมาอีออกตีให้ทิงโคยนเถื่อนเียเนี่ยเอาละแหวไปตีโกเสียงก็ทิ้งเสียเป็นผิดว่าพอสมควรแล้วก็หนีทิงโคทิ้งสะเบียงสองผู้น้องแฝงหัหวก่อนนำเอา ข้ยยละกนเรียน ม, มามม่มค่อยจุมาอีกเป็นอันมากอ่ะก็ดีใจในชทยธรมะละหารู้ไหมว่าเนี่ยคยือเหยื่อเหยวล่อละครุง่งน้เช้าแฮรโแฮรวีก็เพรมมาะาัไปรถอีกไปจับแตนเรย์ด้ประมาณร้อยคนคือจะพวกที่คนเด้ส่งมาให้แพ้เอาก็เอาตัวเธอเลทฉันรอเธอจาุมาอีก ทีลาลก็ถามทหารเลยเรามีของคนเบ่งเหรอวาคนเบ่งมาไของพวกเจ้านี่คิดการศึกเนี่ยประการใดทหารเราก็ตอบว่าคนเบ่ง น, ะนี่โดนท่านแม่พับออกไปรถทุ่งด้วยก็มีใจกัเรถคิดจะทําศึกให้ยืดยาวไละให้ขบเจ้าทั้งปวงเนี่ยไปเที่ยวทาไร่หรือผักซักถัว่ว ขาเจ้าทั้งนี้ประมาทไปทหารทถึงจับตอวมาได้เอาเด็กทะเทัร้อยนี่ก็ตอบอย่างนี้คือเขาก็คัดเลือกส่งคนไปให้โดนจับอะซูมาอี้เด็กฟังนี่ก็ร้อแล้วก็ปล่อยถามด่ามั้งสิแฮร์รก็กระซมาอี้ว่เมื่อจับข้าศ็กบ้านละเล็กไปท่ามาให้ปล่อยก็อย่างนี้หรอกซูมาอี้ก็ตอบว่า แ hey, oh, oh. ควโว้โหท่นยังนุนแกความนะที่ไม่มรู้รู้ในความคิดเราซึ่งเราให้ปล่อยทหารคนเล็กแค่นั้นหวังจะให้เลี่ยงื้อไปว่าใจเรานี้นะม่นี้พยาามแกทหารเร า, า, า, าที่หน้าจักรวรรดึกก็กิดเอาแต่ไม้ทับไม้กองถึงโดนตัวการนซึ่งเราก็ทำไปเรียกเป็นอุ บ, บายหรือคลนีคบอง รถเอื้อนอูน่มึเกงผิวน่ะหนี้มองจับแขนเอื้นอู่ก็ปล่อยเสียเกิงกระทั่งีบางชนะได้เนีเกงผิวนี่ซูมาอีบกเหตุการณ์ใอดีตที่ไม่ห่างไม่ไกลกันเป็นไนั่หรอกก็ยเรียกว่าพอเรื่องยุคร่สมัยทุกคนพอรู้พอท่าบโหโหแบบฟังสูมาอีถูกใจตอบเป็เนี้ยก็ชอบด้วย สุมาอีก็สั่งถามทุกหมวดทุกกองว่าถ้าผู้ใจับผู้คนดได้ก็ให้ปล่อยไปแล้วก็สั่งให้ตมวดกลางถามทุกวกลตรยมกรแให้พร้อมฝ่ายคนดิงฝ่ายคนด่งจะจับสุมาอีให้ได้ให้โกเสียง โคเยนขนซาเบียงไปนักไถ่ปากทางเฮาโลกก็อยู่ทุกวันนี้เลยค่ะนี่ก็ทำให้เห็นว่าพี่มันจะเป็นที่สะสมซาเบียงอันซคั้งละจะทำอย่างนั้นแฮรโฮแฮรวิก็คูดหามาตีเพืโคเยนแบบซเบียงหล่อมทุกวันผนไม่ต้องเสียเหงื่อลอกปตัวใหญ่ต้องเสียเหงื่อมากอยู่ มาวันห่เว่โฮห่ว่ียคุหมาดดินเต็มดีเสมอีกแล้ก็จับผานนนุ่งแประมาณห0คนขอเตียวไทยสมาอียืนค่าสมาอีก็ถามว่าขนนุ่อยู่แห่งใดทหารก็ตอบว่าขนนุ่งมาตั้งค่าอยู่ณเมรขาวเสียงก๊ก ขนสะเดืยนไปไว้ในค่ายใหม่ซึ่ตอยู่ปากทางไโลก๊กขนเบลซาเม้นก็แัดอย ท, าทหาทห้าสิบหยิบยออี ก, จจออกแล้วก็สั่งม า, า, งางยหารั้งหมว่าเวลาผุทานทำยกไปซีเอาค้านยขนยของขนเบลมาเขากีสารเพื่อเราจะยกหนุไปมาห์หนุนแบบนี้สุมาสูบุกลโต กติาท่นผู้เป็นบีบาข้าใหญ่คนได้มาอยู่ข้ ง, งังซึ่งคนไม่งไปตั้งข้าอ ย, นะยู่บนเนินเขาวเทียนโต๊ะย่องเข้ามาเป็นข้าหน้าเฮกบอยบีบาร์นสั่งให้ไปตีข้าหน้า ก, ก่อนจะเดือดให้ไปตีเอาข้าหลังนั้นเอาพว่าคนหน่งยกไปช่วยกันทหารของเรานะ่ะ ยกเรื่องเข้าไปฉะนั้นจะมีเสียทีเทร์รสซามาอีก็จริงว่าซนมาสูนี่เองข่ายนะเขาที่สานะี่เป็นข่ายนั่นข่าใหญ่ข่าสําสคัญของคนเบ่งี้าเรายกไปตีก็ว่าของเบ่งในฐานะเมืองจะต้องยกไปช่วยค่าใหญ่เป็นนั่นคน้งก็เราต้องการฉันนั้นเลยสิแล้วเราก็จะแยกทหาร ให้เตมตีข่ายที่ปากแทนเท้าโยกโกและข่ายที่เมือเขาเสื่อนโ๊กนันไม่ได้เดยกชนิดสำคัญนะคนเด่งไปสะสมสาเบียนและที่นหนักหมาแล้วเราใช้เผาข้าวปลาสาเบียนอาหารที่สิเมื่อขนเด่งเสียสาเบียนสิ้นแล้วเราก็จะทงฝึกมีชัยชนะเดยง่ายดีทุนอีที่ใจปะมาสูบผู้เป็นบุ เข้าใจกันนี้ขึ้น ม, มาฝืนได้ฟังก็เห็นด้วยแต่ความคิดของดาครึ่งรารีชาวซู ม, มาที่อยเียหงนักหรุนคหันน่ันเป็นกองหลังเดีวมาถายนยคุณหันยกไปเป็นกองกองไปข้างหน้าซู ม, มาอีนั้นก็คุมทหารเป็นกองหนุนตามไป หรือจะพูดทิ้งไว้ก่อนเลยสักนิดหนึง่งใครจะเหนือกว่ากันไม่จะเหนือกากันแลใครจะเหนือกว่า ก, า ก, ากันเนครับใครจะเหนือกันเอาคนได้เห็นสุมาอี้ทํ่างน้นยกกองไปอย่างนั้นท่านสั่งถามท่านตูนทีเดีลวว่าถ่าเห็นกองทัพสุมาอี้ยกไปซีค่าใหญ่ของเราที่เขาจีนสันท่า น, นทั้งตูนจึนทเป็นไปช่วยป้องกันค่ายใหญ่แต่และ ให้สรุปอย่างไปเป็นข้าสุมาอี้ให้ได้ยิหหงหีให้โง่การบนี้คือทาทำตาคืออ่านอ่านมาอี้ออกเลยผมได้สั่งนนะให้ไปช่วยทำปะยจะไปช่วยป้องกันข้าใหญ่ละแต่แล้วให้สรุอย่างไปเป็นข้าสุมาอี้และข้าตากทางเห้โลกกับข้าบนเนินเขานี่องข้าเนียไว้เป็นพน ง, งานของเรา เราจะคิดอ่านทำการให้สำเร็จมายถเรงการตัด ก, การกระเการได้ทีเดียวมาถถอ้าาหอเห็นกองทัพมาพ้นข่ายหายโขกไปแล้วอลยไปไดนะ้นะเวิาเหนคนต่างคนเร่งซึ่ต่างข่ายเป็นกองๆน่ะพากันคลื่อนทาทีจะไปสมทบช่วยข่ายนุ่นี่เขาปิศาสซูมาอี้กับมิตรทั้สอ ง, สอง เ็าพาฐานเข้าไปแต่ไปาข่ทางเขาโล ก, กมีเอียมเหวินดังนั้นก็ขับมืรำาทวนออกมาทีเดียวร้องว่าสุมาอี่จะหนีไปไหนยังจะพ้นมือกูริอีเอี่ยมประกาศก้องเลยสุมาอี่จะทํัก้ก็โกรธเพ่าะมาอี้ต่างกับคนดึงถ้าจะพูดแล้วคนดึง ไม่เคยใช้อาวุธประทับยืนกับผู้ใดเลยแต่ขนาดยืนเป็นคนหนึ่งรายนี้ยอดหานเก่าแค่ไหนสีนมีแค่ไหนตั้งกว่เป็นหาเสือหลให้ผ่นดินในขราบฐานเสือหลายแนดินอ่ตั้แต่ขนบยังไม่ได้เก่งจี๋จนขนยังไม่ได้เก่ง จ, นนจีแต่งแต่รอบจี๋ยังไม่ได้เก่งจี๋ยัไม่ด้เก่งจี๋จากเก่งจี๋จนไปสถาปนา อำนาจเสกชวนได้สำเร็จเนีย่ e, ยอีอีเอียนอีลินเอียนตีเบอรจล่นแหละที่มาอียอมรู้จักสิ่งนีของอีเนดิแต่ท right ี S <S <burnout S 1> us, ่มาอีมันไม่ได้ยอมอที่มาอีก็ขับมาเขารบกับอีเอีนรบด้สามเลยแต่อีเอหยนเนี่ยมารบานที่ขนดงกันหบดให้รบบางทงเมื่อไดมีการประทับที่นี่ก็ะตง พอเร่อลใครเหนือใครไม่เหนื อ, อนรืเหยื่อรถไบสามเพก็ทางมาหนีล่อไปตามทางซึ่งมีโควนสำคัญโควนปลายจุดว่าเป็นสำคัญสมารีกับบุกสมามีสมารส์สก็ขับมาตามเข้าไปถึงปากทางไฮโลโก้คือต้องการจะไปกินไฟเบอร์ม่ตาหักไข่เขามีสานนักแกนทำไปอย่างนี้นเองแต่พอเข้าไปถึงปากทางาโลโกนี่อเดอรอีเเลยครจะหานเข้าไปดู ในม่หุบเขานี่ยแหละหารก็เข้าไปดูและกลับมาราเงินว่ะหุบเขาเขาโลกอกนั่นแะ้าโโ น, นนะา ม, นะมีแต่รับดิน น, น้อยคือเป็นจิดดินกระถาดิน น, น้อยตั้งอยู่ตามเนินเขาข้าราชาไม่ได้เห็งคนเดอยู่เลยแต่พักคนเดียวย น, ยวนี่รายงานอย่างนี้นี้ก็ผาุและถิ่นทงเข้าไป the phone และการจะมี้คกเลือนงได้เคยเกิดทำมาแล้วถ้าทหารต่างแดบบนไ้สามหมื่นนี่เหลือหรอประมัดนี้สถานที่นี้เกิดการขึ้ น, นคล้ายกันเพลินอุเพื่อนทหารไทยเตียวเนี่ยบางเร่องเพลิจะเป็นอันหน้าซุนม า, มาอีนอะ่ะเห็นบางเรื่องสินรร้นสุดไปเองอ่ะก็คืออยา ก, กล่าวเพลินแค่ว่าเอาทหาหมาสกัดาักแทงได้สองข้างเท่านั้นเลย น, นย่กว่าทหามัดตลาดงอีกตั้งเป็นร้อยเท่าละ่ะมาอีี่ยสูติพัดตกจากหลังมาเลยขนาดคทหารยอดเย่เยมนพรดคนสำคัญเนี่ยพัดตกจากหลังม้าเลยมตกจากัม้าเองเลยโผเข้าปอดอยู่ทั้งสองร่างให้เลยทีเดียว่ะครั้ง เราพอร่อลูกจะตายในที่นี้เป็นนุนคนมาอีกกล่าวบางแล้วก็เพิ่มขึ้นหลังมาเพิ่มขึ้นหลังมาแล้วก็ตกจากหลังมาอีกเป็นบางนี้ที่งสาครั้งส่ครั้งเพินก็ลุกเพมเต็นนี้ก็นีได้ก็ยิ่ร้องไห้เต็มอันน เจพระยาพระคลังหลวงปรัต บ, บริทสภาธิรัฐเล่สองตอนเจ็ดสิบแปดหน้าที่หน้าที่เจ็ดรอยี่สิบเจ็ดนะครับอ้ามันพระที่สิบสามความระมืไว้ดังนี้ทุกตัวอักษรเลยบุนของเรา ย, ยังมีอยู่เป็นอันมาก เทพยามาจินบันดาให้สินตกมาช่วยเรามาอีกยืนอย่างเราอย่างนี้แล้วก็พาบุตทั้งสองคนมาถึงปากแพงก็ได้พบกับเตียวหองนาคุณนี้ซึ่งเป็นกองหลังคุณฐานตามมาถึง เป็นดูคนทุกครั้งที่ขเบ่งเบ่งมอบหมายการจบชีวิตสุมาลีในกองเพลงและในมีองใต้เนี่ยแต่น mo ี่เป็นหลักฐานม้นะครับที่เป็นเพียงที่จุดไฟที่ามาเท่านั้นเองเพราะไม่คิด่าเหตุการณ์หะจะเกิดขึ้นมาได้มอกเหนอไปกว่านั้นได้ไหมแต่มื่เกิดเหตุการณที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้เหนือนตัหนูนิ่มบางๆขึ้นนี้ผปมาอย่างนี้ สุมาอี้ีออกไปได้ยังนั้นไปพบกับกองทัพที่ยกมาช่วยยังนั้นมาใต้เห็นอ่งนั้นก็จิดคิดว่าเั้งนี้เราจะรบพุ้งอีกนิดบักนี้ทหารของเราไม่ก็น้อยเสียนะมาใต้ก็พาฐานเลิกกลับไปพอเต็นเองก็มีหน้าที่อยู่เท่านั้นเองคือจุดคบเพลิงทุ่งพิ่งราไปเท่านั้นแหละสมาอี้สมาสุมาเจา พ่ออู่ทั้งสาก็รีบกลับไปยังค่ายพกลไปถึงค่ายเเห็นทหารนเบ่งอยู่ในค่ายเ็นอันมากคนเบ่เส่ทารไปยึดค่ายพมาอีเลยะสามพ่ออยู่ในฐานรเก็พากันล อ, อยไ ป, ปรารคนเบ่ก็ชนออกติตามรเพื่อมาอีกประทางประมาณงร้อยเซนขณะนั้นพมา่าอีกก็ไปพบกับโกชุและซึมเล่ับดีสอทาเก่า เอากดรวมกำลังเป็นรถพรี่ตาฐานท า, ทานขงุนไว้เป็นสามารถกดิ์แล้วฐานก็ถอยกลับมารักษาค่ายสุมาอี้ไว้แต่สมมาอี้ก็พาถานทั้งสอไปตั้งค่ายใหม่อยู่ห่างไก จ, จากค่ายเก่าไปประมาณ200ส0งร้อยเซนแล่ข้างซ้ายฐานกอมของสุมาอี่ที่ไปตีค่ายมาเา 3. ขาพิสันค่ายมุ่งค่ายสำคัญของข น, นุนนั้นน่ะความรู้ว่า สุมาอี้เสียข้าแล้วก็พากันจลเลิกทักปรับก็พอดีทั้งคนได้ปีกินะนากเข้าไปทั้งสบ้านไล่ข้าฟันทหารสุมาอี้เสี่ยนเลือตายเลยถึงสิบเสี่ยนหรือยี่สิบเสี่ยนเดียวอาเสีอยนที่เรือเนี่ยกนมนีตายไปหาสุมาอี้มาข้าวใหม่เรียกเปรียบเสืนซึ่งหมดทุกองนี้เลย พเหลงคนเด่งมาหาอุปราถนเสยฉุนผู้วางแผนการที่จะถ า, ายากรณ์มุมาอีไว้อย่างดีรอบขอบโดยพฤติการเยอะนั้นโดยไม่ได้คิดเลยแล้วก็นี่อาจจะคิดด้วย่ามินฟ้าจะบางบานในเหตุ ก, การมันผันแปรเปลี่ยนไปในอย่างนี้เพืาะคนเดื่องดินเหนียเขานะี่ยเข้ามาเฉอีย่ยเอี่ยม เขาไปรบกับสุมาอีล่อ nope. สุมาอี really ้โดยอี้เหวี่นีเข้ามาทางโลกอกแลวสุมาอีก็ติดทาอี้เหวีงเข้ามาทางหุกเขาห้โลกอกเนี่ยคนงเบ้นก็คิดทำาทดเลยว่าครั้งนี้สุมาอี้จะตายอยู่ในเลินเป็นเมื่อโคงเบ้นโคนงเบ้นมันแผนการของตนสาเร็จเลยแต่แล้วคโตกลัวยิ่งนักเช่นนั้นจนกระทั่งสุมาอี้ รอดออกไปจากหุบเขาหน้าเวลานั้นขนเบิกอยู่บนเดิน เ, นเขาสูงนี่น น, น, น่นกะก็เหมือนกองที่ที่ทั้งปวงนั้นก็เลยแต่ทอดใจใหญ่แล้วก็กล่าวว่าธรรมดาคนทั้งปวงไต่ทำการสิ่งใดก็ย่ำสำเร็จด้วความคิดแม้การไม่ตลอดก็เพราะ คุณมันมีความอยู่ให้ทำของหกอยู่ยาเทปบกเจ้พระยาครั้งหน่งนี่ยนะครับลองฟังก pues ันอีกครั้งหนึ่งสิธรรมดาคนที่เกลียดจะทำการสิ่งใบก็ย่อมสำเร็จด้วยความคิด เพราะว่ามันมีกำอยู่ขนเด่งกลางบางนีเลยทีเดียร์ความหมายจะชัดเยนโดยการ้อย่างไหอ่ะแล้วขนเด่งก็พ า, าทางไ้เปลี่ยนกลับเป็นนามะค่ายใหญ่เขากีดสาฝ่าซูมาอี่าสูมาอีาาอ๋อก็เข้าข่ายเดิม็นไม่ได้ก็ไปตั้งค่ายหม่อยู่เนีย เราก็ประกาศเลยท่านแม่ทัพใหญ่แห่งวิเจโลกอิ๋ประกาศแกทหารใหญ่น้อยทั้งปงีเลยทีเดียวว่ามือเห็นทหารขนนู้น ย, ยกมาก็อย่ให้ออกรบพื่งจงรักษาข้างไว้ให้มัน่นคงถ้าผู้ใดมิฟังออกซู้รบเราจะให้ปัดศีรษะเสียแม่ทัพออกคำฝัง่งให้ทหารในบังคับ ไม่ต้องออกรบก็ไปว่าสงบนิ่งดีทค่นั้นละครั้งวันนี้นโกถุก็ขํามาบอกแบบต่จมูกทีนนะ่แบบมัดนี่ผลไม่เหตุตั้งค่ารายทางก็ามาถึงสองค่ายและให้ถามาร้องท้าทายทิจ ย, ยาสมาอีกก็จีว่าให้รักษาข่ามั่นให้รักษาข่าไว้จนมั่นคนเถอด อยยกออกรบเลยพร่งนีก็ไม่ให้ออกรบอันนี้ก็ยากเหมือนกัน ไม่กันเต็มไมยผ่าผู้หญนะิเ น, นี่ยก็คือดูกระหิ่งสือฉบับมังกระดิงสือฉบับนึงมาจิกออกนาำดูป็นใจความว่าตุมาอี่เป็นขุนนางที่ใหญ่ในเมืองล็อกเอียนยกกองทัพออกมาจะทำสงครามด้วยเราเหตุใดจึงนี้อยู่แต่ในข่าช้านามหรได้ออก ร, ร, รอกกบเพื่อให้จัดตัวนี้ด้วยความคิดกันนะ อันธรรมดาเป็นชาติหารแล้วก็ไม่ได้ออกมาจากค่ายชนก็เหมือนมผ้าซับไม้กางเก็ของยิ้มที่เราให้ไป น, นั้นแต่เราทำการมาให้นี้หวังจะให้สุมาอีอ้อพยพจากทหารทั้งปวงจะได้มีเมลนะ็ดออกรบพร <c oughs> ุ่งโดยเราผิงซื่อโกไม่มีอย่างนี้และยังคิดจะบอกเราชัดแจนเ ที่ทำมันเนี่ยให้กันเต็มนายให้ผ่าทับนาให้ขึ้นแตงกายยู่มมันเนี่ยวังได้ซมาอี้อัปยศแก่สหารทั้งสองบอกเลิกคือกระทำาแล้วกลัวเขาจะไม่หายบอกให้เขาลี้เขาจะไม่อายอใดอยาจ ะ, ม, าจาจะ ม, มีนนะออมาออามาลบู้างล้าก็บอกไปเสร็จมิตรเจ้าบ้บนานจะแจ้งสำคัญบิ้ี่มามอี้หัดอาาจักรยอกรา แต่ก็โกรธอยู่แต่ในใจเออทำเป็นหวนั ว, ร, วาหาร า, รวร า, า, ราระแล้วก็ส่งเสยงมคงเล่นนี่หาอุปราคาเนีนเคกชวนนี่มีสติปัญญาจมาอีกเกิดทาชะนี้คอโกรธไ่โกรธแต่โกรธอยูะแม่ในจแล้วก็กล่าวส่งเสรงมคนเล่แล้วก็จะโต๊ะอาหารมาเรื่องดีผู้ถือผู้ีือฟนทั้งนี้ะแล้วก็จะเส้าเ็บำเน็ ให้แกผู้ถือซื้แล้วก็เ อ, เอาของเาประโยชน์ให้แกเป็นตามสมควรเทสุมาเอี ก, ก็ถามผู้ถือซื้อทุกวันนี้เนี่ยหาอุปราชยกมาทำศึกกับเรานี้ยังกินนอนปกติอยู่ดิประการนึงแต่กัมทุกัมชาปวดตราแท้แกาทหารพร้อมมีอดิประการหน่สุมาเอกทำเป็น เจรจาปลาสายถามถ่ายทุกขกับกำลับธรรมาดาอะผู้ถือนุ่ก็บอกล่าแต่มหาอุปราชยกกองทับมาครั้งนี้จัดอินอาหารและสิ่งของนะก้นกไม้อันจะนอนนั้นไม่องนอนน่ะไม่ได้ป ก, กติเดือตองกำชับกลัวปลาพะเพทหารให้รักษาไข้เป็นการใหญ่อยู่นี่ทหารก็ต่อไป ตามที่เขาถามไปโอภางราสายกันหนุ่มหารู้ไม่แบเป็มไลยตอบควายมนสำคัญมาไประดาสีเดียวสม่งไอ้เด็กังนี้นก็เจอว่าซึ่งขนเบ่งคิดการฝึกดั ง, งนี้ก็มีความทุกใหญ่หลวงเห็นอายุขนเบ่งจะสร้นงเแล้วเราคิดนี้ตกอยู่ถ้าหาขนเบ่งไม่แล้วมันจะทำการสงครามด้วยผู้บังก็เห็นจะไม่สือสัตย์ สุมาอี้ตระหนร์ออไมอย่างนี้คื่เป็นหว่วงวิตกว่คนเด้งจะไปถัดมาแล้วจะทำถึงความเป็นคนว่าคนในสมุทเท่ากับความเป็นคนเด้งเนี่ยผู้ที่ม้นสื่แบบนี้ก็คำน้าบลาจับมันนักข่ายและเขาก็ไปบอกกับคนด้งว่าสุมาอี้แด้อ่ามันสื่แล้วให้หวเระไเนครื่งหนึ่โกรธประการไดแล้วก็เราว่าความตามติดสุมาอี้จะเด้จ่าโเภากรใย แต่คนเบ่งเเังกประกาหะคนเบเด็กฟก็ถิพูดทีเดีว่าสมาอี้หนมีสติบาญอยางหรือังรู้สึกและทุกข์ก้มงอกเยวหก็ถึงว่าแก่ผมเบะหน้าอตรคดทนตั้งเตีวเ ห, หนื่อยจนเหนื่อยจะเอานือต่างนื้อตกยิ้มอนอน็นซูผอมถงเพียงนี้ขาเจาเองก็เห็นว่าต้องเด็กคที่สุมาอ้ว่า คนเด็กๆฟงอ่งนั้นก็ถึงกับร้องไห้ทีเดียวและก็ตอบว่าทุกวันนี้ถ้าว่าเราไม่รู้กรืนั้นหรือซึ่งเราทำการทั้งตัวนี้เพราะคิดถึงคุณท่าเจ้าเราปีคันจะละเลยก็หาพี่ได้ที่จะไว้ใจได้เราจึงไมสามาทํทำการศสรหลังจะ ป, าปราบรามสะตรีันดิน จะได้บำรุงพระเจ่าเสื่อดูดยืเป็นสุขนองเบ่งองค์มุนดูจะยืนยืนเป็นทางอันนุ่มกมของเช็นนี้ทางที่เจ้ได้ฟังก็เป็นข้อมัลปัญญายุติได้ังก็ร้งให้รับขอเบ่งทุกคนขณะนันใบหน้าของเบ่งก็เศร้าสลดไม่สบายก็ให้เกิดป่วยขึ้นในอกอยู่ดังหนามยออ ได้คิดออกไปรบพุงกับสุมาอีเป็นหลายวันทีนี้ฝ่ายนายทหารใหญ่น้อยในกองทัพสุมาอีรวกคงเดงแห่งนั้นสื้อมาว่ากล่าวเป็นข้อยาบชาดังนั้นก็เข้ามาว่าแกสุมาอีว่ะ